พระพุทธรธรรมและพระสงฆ์พระพเจ้าอาศัยพันตนาใจนี้แล้วจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่เป็นคำที่เราสมาทานที่เราแสดงตนเป็นพุทธมามากะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพระันตนาใจคืออะไรก็รู้แต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าบางคนก็จะเข้าใจว่าคือเจ้าฝ้ายชายสิทธัตถะลูกของพระเจ้าสุททานะออกบวชจากเรือนประพฤติปฏิบัติจนได้ตั้งลูกสองสอนคนอยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็ปริทิพผานไปแล้วสอง7ันห้าร้อยสามสิบเจ็ปีและนั้นก็ถูกอยู่ พระธรรมก็คือํำลาคำสั่งคำสอนที่เขียนไว้ในหนังสือในคัมภีร์พระนางก็ถูกอยู่ประสงค์ก็คือผู้ที่ออกบวดจากเรือนคนผมผมผ้าเหลืองก็ อ, อยู่ตามวัดมีวัดปฏิบัติ นั่นก็ถูกอยู่ทีนี้ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเราจะไปพึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดวาอารามจะไปึ่งตําราอยู่ในที่เกียนไว้ในคมภีร์ในตําลาจะไปพึ่งพระพุทธเจ้าต้องตอนนี้ผานไปแล้วสองกันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปีเราคายขว่าเราอ้อนวอนขอร้อง ก็พระเจ้ามาคุ้มครองให้พระธรรมาคุ้มครองให้ป ร, ร, ระสงค์มาคุ้มครองป้องกันหลักฐานเา่าแต่จากนั้นมันก็ไกลเกินไปอาจจะถูกถูกบ้างแต่ว่าไม่ถูกทั้งหมาะแต่จากนั้นมันก็ไกลตัวเราเกินไปที่นี่ถ้าเราอ ม, มามีจะเอาคน ว่าข้าพเจ้าอาศัยพระธนไกรทีงควรจะทุกข์ทั้งปวงได้อาศัยอย่างไรอาศัยพระพุทธการทำประสงค์อาศัยอย่างไรเหมนกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผีตัวหนึ่งเลยอ่อนรอนขอร้องมันก็ไม่ถูกแต่ดีอยู่แต่ดีมันยังดีดีกว่าดีที่สุดสมมติว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ใช่เจ้าฟ้าสายสิก ที่ออกบวชต่อยตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าตัวปอมที่ค้นพบเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมอพระธรรมทําให้เป็นพุทธเจ้าขึ้นมาพระสงฆ์ก็คือพระธรรมที่รูปพระธรรมเทียนพระธรรมที่ค้นจากทุกยองพระพุทธองค์เคยสัตย์กับพรวักกฤีพรวักกฤษีนี่เป็นโหน เป็นหนุ่มไปเห็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ <c oughs> ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสรักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าเห็นผลลูปของพระพุทธเจ้างดงามอาจจะเป็นธรรมดาเกษัตริย์เจ้าแผ่นดินธรรมดาก็ต้องมีลักษณะงดงามสก ข, ขันสันธานถูกต้องตาม ลักษณะสามสิบสองประการก็จริงแว่ากรลีก็หลงในพผลลูกของพระองค์ น, นั่นบานที่สุดก็มีความสุขก็ได้ดูพระลูกของพระจับายชีวอนเห็นอยู่มือเนี่ยวเท้า <c oughs> มีความสุขนางหนมสาวรักกันได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็มีความสุขตัดสินใจบวชเพื่อจะได้ดูพระองค์ระลกูกพระพุทธเจ้าเห็นพระหน่มลูกนี้ หลงเสร็จแล้วใกว่านี่คือลูกคือพระพุทธเจ้าเลยบอกนะนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าตัวปลอมพระพุทธเจ้าตัวจริงคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราพราวกรีก็รัวโอ้พระพุทธเจ้าตัวปลอมยังขนาดนี้พระพุทธเจ้าตัวจริงขนาดไหนจะงามขนาดไหน พเจ้าก็บอกให้ศึกษาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติมีสติมีสัมรจัญญาในความรู้สึกตัวดูตัวเองจนในที่สุดปวัตตลิก็ได้เห็นว่าพระเจ้าตัวจริงคือเห็นธรรมอาธรรมอาธรรมก็มีมากมายเป็นประธรรมคำสอนมีตั้งแปดหมื่นสี่พันเรื่องแปดหมื่นสี่พันเรื่อง ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นก็อยู่ในตัวของเรานะี่ยอยู่ในกายอันกวางสอกยาววานาคืออันคนที่ยังเป็นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์นี่เราก็ไปเข้าใจว่าเป็นลูกชาวบ้านที่ออกบวชจากเรือนนุ่งผมชีบอนสีเหลืองอยู่ตามวัดกนผม <c oughs> นั่นก็ถูกอยู่ดังโบราณท่านว่า <c oughs> ไหว้พระพุทธจะให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมจะให้ถูกตําลาคำทีไหว้พระสงฆ์จะให้ถูกแต่ลูกแต่หลานถูกก็หลักถ้าเราไปไหว้พระไไพระุทธไปไหว้พุทธเปลูกทุกวันเนี่ยเป็นลูกแทนของพระพุทธเจ้าไม่จะไม่ให้ถูกทองคำจะไหวยอย่างไรคนทุกวันนี้ก็ไหว้ มองพระพุทธรูปว่า้คิดว่าพระพุทธรูปจะช่วยเราอ่อนวอนถึงติดทองติดเลยพวงสวงามอ้อนหมกนามนอะไรต่างๆคิดไปทางโน้นจะพยายามหน้ามันถูกทองคำถูกดุนถูกอิถู ก, ถกปูนถูกหินรานทั้งวันให้มันกลายไปกว่านั้นเลยขอบคุณขอุณพร ะ, พพระพเจ้า อะไรที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือคุณคุณคุณนั <c oughs> นนนรรมคือกรรมะนั่นแหละดังคนของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างดังในคำพีตําลาพุทธเจ้าก็มีคุณลักษณะอยู่ยอดยอดมีอยู่สี่อย่างคือเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณนี่เป็นคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้า คาโดยยอดๆเมตตาที่คุณก็คือมีความเมตตาสงสารเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ใส่ใลรักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยอดของนักรักรักชีวิตรักทัพย์สิสงรักทุกอย่างเมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างตนหน่อยอะไรต่างๆที่เกิดมาร่วมโลกไม่เบียดเบียนมีความรักมีความเมตตาที่คุณ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 มีมากไม่สามารถที่จะพูดให้หมดนะก็มากมายคาว่าอัปปมัญญาเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทุกแง่ทุกมุมกรุณาที่คุณก็คือความกรุณาความกรุณานี่ไม่ใช่คิดนะต้องเข้าไปช่วยเหลือตามฐานนะตามความสามารถในอะไรที่พอช่วยเหลือได้ช่วยเหลือไม่ใช่คิดเฉย ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็ใช้คำพูดบางทีก็ใช้การกระทาบางทีช่วยเองไม่ได้ไปใช่คนเดินไปช่วยกันบอกกันส้อนกันช่วยกันลงมือทำจริงๆทูดออกไปจริงๆแสดงออกไปจริงๆเสียรสละจริงๆแรงกายแรงสติปัญญาแรงยับอะไรต่างๆที่พอช่วยได้ตามฐานะเนี่ย ไม่ใช่เมตตากรุณาเราก็นั่งคิดเฉยๆแต่เมตต า, ส, ตาสับเจสตาสัจต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จบตายแต่ว่าแต่แตแตปากมันไม่ยังไม่ถูกไม่ใช่เมตตาที่คุณไม่ใช่กรุณาที่คุณเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณต้องทําลงไปจริงๆอย่างน้อยก็ต้องในตัวเราจะคิดสิ่งใดให้ประกอบไปด้วยเมตตา จะพูดสิ่งใดก็ให้ประกอบไปด้วยเมตตาจะทำสิ่งใดก็ต้องประกอบไปด้วยเมตตาในตัวของเราก็าเหมือนกันแล้วก็ประกาศให้คนอื่นคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้นโคกนาราที่คนช่วยจริงๆได้สั่งได้สอนเช่นไปช่วยองคุริมานเสี่ยงเท่าไหร่วันนั่นเขาจะจับองคุริมานแล้วเขาจะฆ่าแล้วเมื่อเขาจะฆ่าองคุริมาน ก็คิดไปอีกว่าแม่ขององค์คุยมานพ่อขององค์คุยมานก็ต้องรักลูกอาจจะต้องไปบอกว่าองค์คุยมานอยู่นี่เด็กต้องไปบอกลูกว่าแม่แม่อาจจะไปบอกลูกว่าให้ลูกระวังตัวเขาจะมาฆ่าเจ้าหนีไปจ้าแม่ก็ต้องคิดเรื่องนี้ต้องไปบอกลูกเมื่อแม่ไปบอกลูกลูกขนาดนั่นก็อาจจะจําแม่ไม่ได้ ก็มันหลงมากๆก็อาจจะฆ่าแน่ตายซะพระเจ้าก็คิดคิดไม่ใช่คิดเฉยๆก็ไปจริงๆไปหาองคุลมาก่อนแม่ขององคุลมาก็ไปถึงองคุลมาก็ไล่ฆ่ า, จ, า, าจับดาบจนไล่ฟัน่นทั้งๆ ท, ที่องคุลมาจะไล่อยู่นั้นพระริจ้าก็ยังมีเมตตาที่คนกรัณาที่สุดยังคิดจะช่วยอยู่ องคุยมานก็เรียกวหยุดหยุดพระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วหยุดอะไรอยังวิ่งอยู่พระเจ้าบอกหยุดการทําชั่วหยุดการเบียดเบียนเธอที่ยังไม่หยุดยังเบียดเบียนยัง่าดยังประหารเธอยังไม่หยุดแต่เราหยุดแล้วไม่ที่สุดตรงคุยมันได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมา วางดาบทิ้งลงไปก้มลงกราบพระพุทธเจ้าในที่สุดพระพุทธเจ้าก็โกรธองคุณมาณก็หายสยดุดช่วยนะเสี่ยงเท่าไหร่เสียสละเท่าไหร่นี่เลยว่าไม่ใช่ว่าแต่ป่ า, ส, าสัตว์สัตว์ทัางหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เเจ็บเกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น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 ไม่ใช่เอาทั้งเสียสละภายนอกและเสียสลับภายในภายนอกก็คือมีปัจจัยเทฐา น, น, า น, าพนาาเพ้าสินข้าวหนามพุชนาอาหารเครื่องนองหอบเสียสละบออกไปที่เป็นวัตถุแต่ใ จ, ใจเป็นผลลัพธ์คือมันไม่มีความกันมหนิคำเสียงใดเสียสลับวัตถุเสียงใดเอาไปใจมันดีใจมันดีมันไม่เหมือนกับเอาถ้าเอาเลยมันมันเหงดแท่งแต่ให้มันสมดุลมันสมบูรณ์ มันมั่งมีมันไม่ขาดแคลนให้ว่าทานเสียสละด้วยความบริสุทธิ์พูดสิงใดทำสิ่งใดคิดสิงใดเสียสละมีวัตถุบางนามาทำบางภายนอกภายในที่จริงมันต้องเสียสละภายในก่อนก่อนคนจะให้อะไรต้องใจให้ก่อนทางอาทยมที่ไปทำบุญให้ทานรักษาศีลใจมันคิดก่อน พอใจมันขึ้นตื่นขึ้นมาของข้าวของปลาทำอาหารรีบถือไปกายมันก็เลยไปนัใจมันเสียสละมันให้แล้วแต่ว่ามันยังหลงบางทีมันก็หลงเพราผู้ที่รับก็ให้ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยหลงไปมันเลยจะเอาจะแลกให้เราก็เสียสละทีเดียวทีแท้ก็จะทํำลายนั้งความโลภความโกรธความหลงนี่แหละ ปุจาระสละอารมณ์เน่าสละความตนนีสละความเห็นเจตตัวโอริจ่าก็เดี๋ยวบริสุทธิ์ที่คุณมีคุณธรรมอันนี้ตลอดทั้งปัญญาที่คุณลุกจากมีปัญญายกตนออกจากทุกปัญญาออกจากทุกนะไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกเป็นปัญญา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 สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธโพนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้าคนนุณอันนี้มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่เราก็ได้เอามาไห้ในเราเอามาไห้ในตัวเราในกายในจิตชีวิตจิตใจของเราเรามีคุณอย่างนี้เราจึงพ้นจากทุกข์ทั้งวงได้ ตอนนี้กว่าพุทธังสนังคาฉานี้เรามีคุณแบบนี้เราจึงคนจากทุกข์ทางฝวงได้ไม่มีทุกข์เลยโอ้อันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งได้จริงๆแิง้าเรามีทำอย่างนี้เราก็พึ่งเราได้แลยแบบคนอื่นก็อาจจะพึ่งเราได้ถ้าคนมีคุณธรรมอย่างนี้นะสามีมีคุณธรรมอย่างนี้ปัญญาก็พึ่งได้ปัญญามีคุณธรรมอย่างนี้สามีก็พึ่งได้ลูกมีคุณธรรมอย่างนี้พ่อแม่ก็พึ่งได้ พอแม่มีคุณธรรมอย่างนี้ลูกก็พึงได้คนในโลกมีคุณธรรมอย่างนี้โลกก็สงบร่มเย็นนี่มนไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ไหนหรอกบัดุทธะคือตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่แหละอะไรรู้อะไรตื่นอะไรเบิกบานในตัวเรานี่แล้วอย่ามืดอย่ามัวอย่าหลงงมง่ายให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานจิตใจนี่ให้เบิ ก, บ ใ, ใ, หบกให้บานอย่าเศร้าโศกอย่าวิตกขังบน่น ลู้ตื่นตื่นนี้ออกจากทุกข์อย่าโง่หลงอย่าหลับอย่าไหลอย่าให้ความทุกข์ความโกรธนอนอยู่กับเราข้างวันข้างคืนเสียสละอ็วา่าจะคะก็คือเสียสละอารมณ์เน่าที่มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีปัญญาที่คุณนั่นแหะมันก็อยู่กับเรานี่เรียกว่าไหวยพระพุทธให้ถูกทองคำว่ายพระธรรมไมให้ถูกตำราใบลานนั่นะ ว่าทำไม่ใช่อยู่ในตำราแ ล, ลยขึ้นความรู้สึกตัวเนะ่นเ ร, เ ร, นนระเรียนนักธรรมชั้นตีนะกเตียนนักธรรมชั้นโทชั้นเอนะเนกอะไรว่าธรรมวิภาคคือพัฒนธรรมวินนะัยน่ะอยู่ที่ไหนบ้านี้เเจนเราเปิดนวัตาูวาณาแรการการทำอุปการะมาสองอย่างสติปันลึกได้สมบัติชญญะความรู้ตัว อ, อยู่ในตำร า, ายอยู่ที่ไหน สติความระลึกได้สำมัญชนญาสรู้ตัวแต่ว่าแต่ปากมันไม่ใช่มันเป็นภาษานกแก้วนกขนทองสติความระลึกได้ลลกด็คือระลึกอยู่ในตัวของเราให้มีอยู่ในเราเขีนวิชากรรมฐานมาหาสติปัฏฐา น, นาสูตรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติดูกายเอาสติมาไว้ในกายก่อนทําก่อนเื่อนก่อนไว้ให้รู้สึกตัว ละเลิกได้เมื่อจิตที่ใจที่มันคิดไปให้ละเลิกได้ผิดถูกยังไงจะหลงให้รู้สึก <c oughs> ผู้ใดมีความรู้สึกตัวผูนั่นเหมืนก็อยู่บ้านพ่ออยู่ถิ่นของบิดานั่นมีอุปการละมากความรู้สึกตัวเหมือนก็อยู่ถิ่นของพ่ออยู่บ้านพ่ออยู่บ้านแม่มันก็คลุ้มคลองอบอุ่นใจคนมีความรู้สึกตัวมีพัทธธรรม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 สิ่ใดที่เป็นกุศลคือความฉลาดฉลอให้มีฉลิดฉลองดอกจากทุกไม่ใช่ฉลาดลังแกคนอื่นแล้วแล้วดอกเปรียบคนอื่นแต่ฉลิมฉลองแบบนั้นมันไม่ใช่พระธรรมมันมันมันเป็นอวิชชามันเป็นความโง่หลงมันเดือดเวียนกาันในมหาสติปัฏฐานาสูุขกายานุปัจนาสติปัฏฐานอมีสติรู้สึก ตัวดูกายใจของเราเนี่ยอย่าให้ไปอยู่ที่อื่นอย่าให้ไปอยู่ในตำร า, านะอย่าให้ไปอยู่ในกระดาษมาไว้ในตัวเราสิ่งใดที่เป็นกุศลมีอยู่ในกายในใจเรานี้ละความชั่วทําความดีอยู่ในกายในใจในวิ จ, จารเรานี้คนมีสติคนมีความรู้สึกตัวมันก็ละความชั่วมันก็ทําความดีจิตใจมันก็บริสุทธิ์แล้วบ้ีงมันก็เป็นพระธรรมหรอกพระธรรมก็คุ้มครองแล้วบ้าง มันใช่พระธรรมอยู่ที่ไหนระเบิดนะไม่ใช่สวดไม่ใช่อ้อนวอนแล้วบันสวดจนเท่าไหร่นั่งสวดอยู่นั่นแต่ว่ายังโกรธยังทุกข์อยู่มันก็ไม่มประโยชน์มันอยู่ในตำรามันอยู่ในสัมพีเป็นภาษานกแก้วนกขนทองอืบางทีเราไม่ต้องสวดแต่เรานี่ละความชั่วทำความดีกิดบริสุทธิ์คนมีความรู้สึกตัวน่มันก็ทําละชั่วอยู่แล้ว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 มันจะทําจิตให้เราเศร้าหมองความโกรธความหลงความหลงจิตเล็กตันหาละฆ่นคือทําให้จิตเศร้าหมองมันหลงมันลืมมันมืดมันจํากันไม่ได้เช่นเราโกรธอย่างนี้นะความโกรธมันจํากันไม่ได้มันมืดมันเรียกว่าอกุศลมันมืดมันทำให้ผิดขากันด่ากันทะเลาะกันทะเบียดเดียนกันด่าเห็นละใช่ไหมนี่ละ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 ปกติากายปกติวาจาปกติใจก็คือพระธรรมนั่นแหละธรรมคือความปกตินั่นแหละสมาธิก็คือจิตใจที่ไม่สยบตันนั่นแหละมันไม่เป็นสยบตันนั่นแหละมันไม่ฟูฟูแฟบแฝงน่นสมาธิมันเชื่องมันหมดพิษนั่นแหละสมาธิคือจิตใจที่มันหมดพิษนั่นแหละเรี <c oughs> ยกว่าสมาธิป <c oughs> ัญญาก็คือความรอบรู้นี่แหละ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 สองที่ไหนลเราไปแท่นี่เราหลงไปจนแล้วในยุคอาจารย์ในลุกยคหลงพ่อพอศรัทธาก็ศรัทธาตัวคนเลชอ่าหลั่งไหลกันไปแห่กัน ไ, ไปตามกันไปุงุงไปกราบไปไหว้คิดว่าท่านจะให้อันนั้นใจเราให้อันนี้ใจเราหวังพึ่งทา่านแล้วความดีจากท่านท่านจะคุ้มครองรักษาเราก็เข้าใจอย่างนั้นไป จำจนกับเพี้ยนไปเสแล้วไหวพระสงฆ์ถูกเติร์นลวงตาถูกหลูกถูกหลานถูกถูกชาวบ้านเอาดีจากท่านศรัทธาพระสงฆ์ก็บศรัทธาตัวบุคคลอะไรขนไปให้สาบไล่เมื่อท่านเห็นไรไปก็เสียใจทั้งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หลงตัวหลงตนกับบุคคลพระสงฆ์ไม่ใช่ดุนไม่ใช่กอนพระสงฆ์ก็คือ <c oughs> คุณธรรมที่อย่าง ทังที่เราสวดนั่นแหละสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนนั่นแหละสงสารวกของพระภูมิพระภาคเจ้าสุปฏิปันโนคืออะไรคือปฏิบัติดีปุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนปฏิบัติออกจากทุกสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสม่ำเสมอสมควรไม่ดีไม่ฟูไม่แฝกไม่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 เป็นประโยชน์เพื่อกลูนไม่ได้ปวดสอเสียดไม่ได้ปูดคำหยาบไม่ไดดเปิดเจาะไม่ได้ดปว ด, ดต่อกลิ้มพูดแล้วเกิดความสมัครใจไม่ขีอดีเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีกายก็ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นคนชั่วไม่อ่ารักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดไม่อ่าสัตว์ตั ด, ด, ดชีวิตไม่เบียดเบียนใค ร, ใ, ครในกายในตัวของเรานี่ไม่เอาไปทําสิ่งอื่นที่มันเป็น ให้เรียนตนให้เรียนคนอื่นศาสตื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นนี่ปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ดีทุกคนในโลกเป็นคนทําดีคิดดีพูดดีคิดนนอย่ดงไรเสมอกันนะแต่นี้คนเรามันเจริญในความคิดคิดจะมาโกรธคิดจะมาโลกคิดจะมาหลงความโกรธความโลกความหลงนอนอยู่กับความคิดมันจะจัดสลัดออกความคิด อะไรไปคิดทั้งหมดแล้วคนทุกวันเนีเอามาคิดทั้งหมดมันจะเลินคิดขึ้นมาเราผิคิดขึ้นมาเราถูกคิดขึ้นมาเราลักคิดขึ้นมาเราโกรธคิดขึ้นมาเราโลภขึ้นมาเลาหลงเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดไปใช่ความคิดในทางที่ผิดคิดโดยเฉพาะจิตใจไหนวางเท่านั้นนี่แต่วางเอาไม่ได้ใจไหนจะเอาก็ยิ่งเหยียดแห้งยิ่งบกพ่องจิตใจไม่ต้องวางอย่างเดียว เสียสละอย่างเดียวไม่ใช่เอาถ้าเอาเราเหงาแท่งบุกห้องขาดแคลนถ้าวางเราเต็มสมสมบูรณ์เพียงพอยิ่งเออในพรสมปฏิบัตดิดีอยู่ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นตัวบุคคลเราคือคุณธรรมอีกนั่นแหละคุณธรรมอีกนันแล้วปฏิบตตัติตงตรงยังไตงตรงทุกต่อทุกจิงทุกอย่าง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 ให้มีความซื่อตรงต่อกันต่อหน้าสนับสนุนรับหลังต่างนินทาไม่ใช่ตรงอยู่เสมอต่อมิตรต่อเพื่อนสามีปัญญาตรงต่อกันภรว่าลูกศิษ์ตรงต่อกันเขื่อนบ้านพี่น้องตรงต่อกันชาดิ่านเมืองตรงต่อกันข้าราชการตรงต่อราัชร้อนรัชร้อนตรงต่อราชการไม่มีอะไรที่จะต้องเบียดเบียนกันไม่ข่มเหงไม่ลังแก่ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ติดบางำลำทางเปิดเผยชีวิตอเป็นหนึ่งเดียวรักเดียวใจเดียวต้องตรงต่อบุคคลตรงต่อสถานที่อยู่ที่ไหน่าเบียดเบียน<ม>ตอตรงต่อเวลาเวลาใดที่ทําอะไรอะไรมีระเบียบที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสัดโลกจะ ต, ต้องต่อเวลาเราม่หน้าที่อะไรเราเป็นข้าราชการเป็นโคเป็นตำรวจทหารเป็นชาวนาชาวไร่เป็น อาชีพกรรมกรต้องต่อเวลาอย่ากินเวลาอย่ากงเวลาปฏิบัติตงปฏิบัติตอกจากทุกข์วันจึงได้ที่เป็นทุกข์ออกให้เป็นอย่ากินเหล้าอย่าสุบุรีอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงอย่าเบียเบียนอยําให้ตนเองเป็นทุกข์นั่นแหละออกให้เป็นีให้เป็นอาจจน้าทุกข์กันได้ ว่านี่แล้วออไม่ใช่ว่าถ้ากูได้โกรธกูตายไม่ลืมนะนกลองโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนมันออกไม่เป็นมันยึดมันไม่ใช่ปฏิบัติออกจากทุกข์บางทียิ่งเอาเสียด้วยทุกข์เนี่ยเพราะว่ากับเราเพาว่ากันเราเราไม่ยอมเราไม่ยอมทํากับเราอย่างนั้นทำกับเราอย่างนี้แบบนี้มันไม่ออกจากทุกข์มันมีแต่เอาทุกข์มาใส่หนักเบื้องอยู่างนั้นหนาดำำํำขําเกลียดนาบดนาเบื้งอยู่างนั้น ออกนี้ไม่เป็นภาษาอะไรคำพูดคำจาก็หวั่นไว้ใช่หล้วแต่ยินได้เห็นอะไรก็หวั่นไว้ใช่แล้วเอามาเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขทั้งหมดแป็นที่จะคอยปล่อยวงังวไวปฏิบัติออกเกทุกข์ปฏิบัติสม่ําเสมอปฏิบัติสมควรสม่ําเสมออยู่ที่ไหนก็เหมาอนกันมันไม่มีที่หลับอย่างสมมุติความคิดอย่างไร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 ไม่มีผูผูแฝบแฝบไม่มีสิทธิลับจะทำจะพูดจะคิดจะอะไรตัวเราเห็นตัวเราอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติสมควรอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราแหละคุณธรรมอีกนั่นแหละนี่ประสงค์ไหว้ประสงค์เอาคุณธรรมของประสงค์สี่อย่างมาไว้ในเรามันก็พ้นจากทุกขังปวงเลยพุกขังสนังกัจฉามิทัมมังสนังกัจฉามิสังขังสุรังกัจฉามิ ข้าพเจ้าอาศัยสราระนี้แล้วจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้อื่อารัตน์ใจไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วบ่อยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตไม่หาที่อื่นไม่ไปหาที่อื่นไม่พบต้องมีอยู่ในตัวเราเอามาไว้ในตัวเราเอามาไว้ในตัวเราเรียกว่ามีที่พึ่งก็หมายถึงคนมีดีนั่นแหละคนมีดีนั่นแหละ คนมีดีแล้วคนมีที่พึ่งกันพึ่งติดแท้กับพึ่งความดีของตนนั่นแล้วคนไม่มีดีจะไปพึ่งสิ่งอื่นไปแขวนเอาพระมาแขวนคอพระเครื่องรุ่นกูให้มึงรุ่นมึงกูทําเองมันไม่ใช่แต่ถ้าทําแขวนท่าเราไปทําชั่วไปคิดชั่วไปพูดชั่วมันก็ไม่ใช่ครับจริงๆเราต้องพึ่งตัวนี้พึ่งความดีของเรา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 ถ้าห้อยคอรุ่นครูให้มึงก็ยังไม่อยู่ไม่ไม่ดีหรอกืชแเงแค่ไม่ได้เราต้องมีดีนะไปทําอะไรมาเขาจึงมาฆ่าเราต้องคอยทําชั่วสปไปด่าเขาไปคดไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาถ้าเราทําดีอยู่แล้วเนี่ยาไปไหนก็สบายใจแต่ถึงค้ามันก็ตายก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสี่ยนความผิดของเราแต่เราทําดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว มันคิดมันพูดมันทำดีอยู่แล้วมันก็จำเป็นถึงขราว ม, มันก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายตายแน่นอนหวิดของเราไปทุกข์ทำไมไปกลัวทำไมเราทำดีอยู่นี่ยเป็นเราเป็นคนดีต่อพ่อต่อแม่ลูกเป็นคนดีต่อพ่อต่อแม่นนแมทำดีทุกอย่างทำดีมาตลอดไม่ได้มีความขาดตกบกพร่องในฐาที่เป็นลูกนะเราทาดีมาตลอดตลอด ช่วยเปิ่วยแม่ันสุดความสามารถแต่พอแม่ล้มหายตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของเรามันไม่บกคร่องมันภูมิใจโอ้ยเราก็ทําดีมาแล้วพ่อแม่อะไรลๆก็เยียวยารักษาจนหมดความสามารถพ่อแม่ก็ไม่มีชีวิต อ, อยู่กันบเราเราก็ไม่ใช่จะทุกข์นะลองทําดูสิไม่ทุกข์จริงๆพ่อแม่ล้มหายตายจากไปเราทําดีสุดฝีมื อ, อเราเหลือวิสัยของเรา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 เราเรากพอ่อรักแหมเราเป็นคนดีรกกัลกลูกรักเมียเราเป็นคนดีรักพี่รักนอก้องเราเป็นคนดีอย่าทำตัวยังเป็นคนชั่วอย่าไปคิดชั่วอย่าไปกูดชั่วอย่าทำตัวยังให้เป็นทุกข์นะรัลกลกูลกรักเมียก็อย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะบางทีเรารักลูกรักเมียก็คิดนะอั น, น, นั่นมันผิดนะจนนอนไม่หลับจนส ด, ดุ้งนี่ตกกังวลคิดอยู่สุขภาพก็ไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายไปไม่ดี รักลูกรักเมียรักครอบรักครอบก็ต้องอย่าทาตัวเองให้เป็นทุกข์นั่นแหละอย่าทาตัวเองให้เป็นทุกข์นั่นแหละแต่เบียดเบียนตนนั่นแหละกินให้มันได้นอนให้มันหลับจะได้ไม่เจ็บใข่ได้ป่วยจะอยู่กับลูกกับเจ้านานๆไม่ใช่คิดนะการคิดมันไม่ใช่หลักมันเดียดเบียนตนเองมันเป็นบาปรักก็ทำตัวเองให้เป็นสุขจะทุกข์นั่นแหละ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 ใช่ไหมับนี่นหไหวพระพุธจะให้ถูกต้องคำไหวพระธรรมจะให้ถูกตำราคำที่ไหวพระจงอย่างถูกหโมลูกโมลล้านถูกลูกชาวบ้านเอามาไว้ในตัวเรามีคุณธรรมอยู่กับตัวเราเรามีดีกับพึ่งดีได้หรอกเราคนมีดีก็พึ่งดีแต่ไม่ใช่ขึ้นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันคนใจดีก็คือคนมีบุญแล้วนคนใจชั่วก็คนมีบาปแล้วนั บาปก็คือทุกกันแหละบุญก็คือใจที่มันดีนั่นแหละไม่เรียนใครใจมันก็ดีแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นข้อขาดตกปกข้องทําดีทําดีบางที่พระสองที่ได้ข่าวว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรนั่นแหละมันก็มันก็ดีแล้วมันมันก็คือทุกคนนั่นแหละบุญถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้ว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 ลานเมืองก็สงบร่มเย็นเพียงพิษตาเดียวไม่ใช่ตัวบทกฎหมายไม่ใช่กองทัพไม่ใช่สตาอาวุธทุกคนในโลกมันรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วตัวเองรับคนช่วยทำคนดีมันก็สงบเพียงพิษตาเดียวนี่เรียกว่าพลังตระหนัตรายนีจากนี่ไปไม่ได้เป็นจัดหน้าแห่งนำยุคสมัย ไม่ล้าสมัยพุณทัทงสนังกาชามิทั้งมังสนังกาชามิสั้งคังสนังกาชามิเป็นศาสตราชั่นนําทนต่อการศึสูาแม้ว่าโลกก็จะไปถึงไหนก็ตามสมัยใหม่สมัยไหนก็ตามเทคโนโลยีจุก ค, คอมพิวเตอร์มันก็หนีจากภาวะนนี้ไม่ได้เพราะความจริงมันอยู่ตรงนี้โดยเจา้าตัดพระธรรมตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วจะมาเพิ่มอีกไม่ได้จะมาตัดออกก็ไม่ได้มันพอดีเลย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 และนี้เราเอาเป็นดุนเป็นก้อนไปจ้าศรัทธาคาสอนก็ไม่ใช่ศรัทธาคาสอนไปศรัทธาบุคคลไปช่วยบุคคลเอาอะไรไปกองให้จนฟุ่งจนเฟอ้อไม่ใช่ศ ร, รัทธาพัตนาไตาไม่ใช่บำ ร, รุงพัตนาใจพรรัตนาใจสุอความดีให้คนมาลุ้นนี้ไม่ใช่ไปบำรุงบุคคล แล้นี่เอาศาสนาไปไว้กับตัวบุคคลรัตนะไปไหว้กับตัวบุคคลหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่รัตนนไทยคือตัวบุคคลไปเสร็จแล้วมันเปลี่ยนไปเสิ็จแล้วนี่กเอา PS ลูปหลวงตาไปเป็นพระประธานไปก็มีอรูบพระหลวงพ่อของ น, นั่นหลวงพ่อของนี่ไปเป็นเป็นนั่งต๊ะหมู่ไปเสร็จแล้วแย่งที่นั่งพระพุทธเจ้าไปเสร็จแล้วไปกราบไปไหว้ดีกว่าไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าเสิ็จแล้ว ติแท้ก็คือพระธรรมให้ระลึกถึงพระธรรมยิ่งได้ศึกษายิ่งรักพระธรรมผสม์ไม่ใช่รักครูบาอาจารย์องนั้นหลวงนีนงน้พูดแล้วชอบก็แห่กันไปพูดแล้วโกรธก็เกลียดกันไปมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่พรัชญาตายปรัชญาตายติแท้ก็คือคุณธรรมนั่นแหละขอพูดจากนี้ยังเป็นคำพูด ให้อพอฟังกอฟังเฉยๆจะไปหลงเชื่อจะไปลังเกียดจะไปศรัทธานคนที่พูดคนที่พูดก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีความคิดอ่านแบบนี้อมีสิทธิ์ที่จะคิดได้อย่างนี้แล้วก็พิ่งได้จริงๆสําหรับคนที่พูดเนี่ยเข้าใจมาจากนี้รู้ได้อย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ก็ไม่มีทุกข์จริงๆหรอไม่เบียดยๆๆๆเบียนใครจริงๆหรอกนะ ไม่กลัวไม่ไปไหว้ผีเป็นไปไหว้เทวดาที่ไหนไมนไปไหว้จอมปลวกไม่ไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้กลัวเลยวะเนี้กลัวแต่ความชั่วนั่นแหะวะเนี่กลัวจริงๆความชั่วความทุกข์ไม่ให้มีแล้วบะเนี่ยไม่เบียดเบียนใครแล้ววะไม่เบียดเบียนตนเด่นแล้ววะเนี่ยคนที่พูดนี่ยก็พูดอย่างนี้ครับจะไปศรัทธาคนที่พูดจะไปลังเกียจคนที่พูดก็ฟังแล้วก็ไปความเป็นธรรมไปทําดูไปปฏิบัติดูมันดีไหม แต่มันดีมันเป็นประโยชน์เพิ่งได้ก็เออนั่นไปสถาปธรรมโนมนกับพระวกริษฐาดีพุตรเป็นอุปจิตสมานนกแต่แบงหาเมกขธรรมกับหมกขลานะเป็นตุ่มเจ้าสาํารานสองคนเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสาํารานเกิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นดีซีตีเตาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นให้รางวัลแต่นางลำนางเต้นตลอดเวลาแต่วันนั่นพ้ากันดูนางลำ สารีบุตรไม่ได้ไม่ได้ให้หลังหวนนั่งพิจารณาเอ้พวกมันเต้นมันลำอยู่างนี้มันก็ไม่ เ, เที่ยงเลยเดือนเดียวมันก็ต้องเข้าต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราจะมาดูอะไรกันดีชวนโมกลุลลาไปหาศึกษาละไปปฏิบัติไปอยู่กับอาจารย์สนใจเรียนที่นั้นจนจบยังไม่พอใจไปหาที่ใหม่ออกจากที่นันสารีบุตรก็ไปเจอพระอาจารย์ซึ่ง บวชใหม่ๆเป็นในปัญจ บ, บรีทั้งห้ากำลังบิณฑบาตยู่แถวสาวัตถีแล้วที่พวชก็เห็นข่าก็ศรัทธาเอสมณะรูปนี่เป็นใครนอมาจากไหนท่านรูปทำอะไรใครเป็นครูของท่านเนา อ, อยากจะถามแต่ว่าไม่ได้ถามขนาดที่บิณฑบาตเพียงแต่ตามไปก็ อ, อัสจ้าชีบิณฑบาตพ้นจากหมู่บ้านก็เข้าไปรำ บ, บากตามพาไปท่านประสงค์จะทันที่ใดจงบอก หล่ก่อนไม่มีวัดห อ, อมมนคนจากบ้านไ ป, ปาาอาจฉิย์ก็ต้องการฉันที่นั่พอฉันเสร็จอัจฉริย์ก็อาสารที่โบก็นั่งอยู่เลกากข็ขอถามท่านเป็นใครท่านมาจากไหนไครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนเรื่องอะไ ร, ราาอาจฉิย์ก็บอกว่าอัตมาเป็นพระบวชใหม่ยังพูดอะไรไม่ได้ไม่พูดมากก็ได้พูด น, น้อยก็พอก<ช>็เออ อาตชีเลยตัดเป็นคาถาว่า เ, รรเหตุธมมาเหตุตุกวาเหตสองเหตุตรงตถาคโตเตสัญญาตุนิ โ, โรโธจะเอวังวาธิมหาสุนโนอ้าจพาได้ความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุจะดับประดับที่เหตุสมณะโคดมเป็นครูของเร า, าสมณะโคดมสอนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้